เดี๋ยวต่อเนาะต่อในเรื่องของทำความเข้าใจในเรื่องของอุ ป, ปาทานขันห้าเมื่อมีรู ป, ปกายคือร่างกายเนี่ยอาศัยรูปก็ยึดมั่นในรูปจึงมีอัตตาใช่ไหมเมื่อมีเวทนาะอาศัยเวทนะพาพอยึดมั่นในเวทนาะก็มีอัตตา เมื่อมีสัญญาอาศัยสัญญาขันยึดมั่นในสัญญาขันนั้นก็มีอัตตาขึ้นมาเมื่อมีสังขารอาศัยสังขารยึดมั่นในสังขารก็มีอัตตาเมื่อมีวิญญาณอาศัยวิญญาณยึดมั่นในวิญญาณก็มีอัตตาพอสรุปไว้ก็คือว่าพระพุทธองค์ตั้งปัญหาเมื่อมีอะไรเพราะอาศัยอะไรเพราะยึดอะไรจึงมีอัตตาเนี่ย คำตอบของปัญหานี้ก็คือเมื่อมีขันหเพพาอใสยขันหเพพาะยึดมั่นในขัน5้าจึงมีอัตราถ้าปราศจากขันห้าแล้ว <c oughs> ก็ไม่มีการยึดมั่นก็ <c oughs> ไม่มีการยึดมั่นไม่ไม่ออกเลยพอออกเลยนะเออ <c oughs> ทีนี้ พระพุทธเจ้าบอกว่ามันแรงไปนิดเบาเานิดพระพุทธเจ้าบอกว่าตถาคตเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามธาตุคือความตั้งอยู่ตามธรรมดาความเป็นไปตามธรรมดาก็คงตั้งอยู่อย่างนั้นตถาคตบรรลุธาตุนั้นว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง คันรู้แล้วบรรู้แล้วจึงบอกแสดงบัญญัติกําหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายว่าสังขารทั้งพวงไม่เที่ยงแต่ฐาคตเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามธาตุคือความตั้งอยู่ตามธรรมดาความเป็นไปตามธรรมดาก็คงเป็นอยู่เ ป, เป็นไปในลักษณะอย่างนั้นนี่ท่านพูดถึงว่าเพราะอาวิชามีสังขารยังมีอย่างนี้เป็นต้นประเด็นก็คือว่าได้พูดถึงในเรื่องของอุปาทานใช่ไหม ก็มีการมุ ป, ปาทานทิฏฐ ป, ปาทานศีรพตุปาทานแล้วก็อัตวาทุ ป, ปาทานด้วยความยึดมั่นนี่แหละเมื่อเช้าพูดถึงเรื่องการมุ ป, ปาทานยึดมั่นในกามก็คือเมื่ออยากได้ดิ้นรนครักดิ้นรนแสหาก็ยึดมั่นติดพันในสิ่งที่อยากจะได้นั้น เมื่อได้แล้วก็ยึดมั่นเพราะอยากสนองความต้องการของตนเองให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและกลัวว่าสิ่งนั้นมันจะหลุดลอยแล้วมันจะพากไปเสียถ้ามีความผิดหวังหรือพากไปก็ยิ่งปักใจมั่นด้วยความผูกใจอะไรอารยะศัพท์นั้นหมายความว่าเป็นชื่อของตัณหาที่ไม่ยอมจะสละสิ่งนั้นในความยึดมั่นแน่นแวนเพราะสิ่ง เพราะอะไรเพราะสิ่งสนองความต้องการต่างๆนะไม่ให้ภาวะเต็มอิ่มหรือสนองความต้องการให้เต็มขีดอย่างที่อยากได้จริงๆก็หมายความว่าสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องเนี่ยหรือเข้าไปอยากได้เข้าไปเสาะหาสะแสวงหารานหานะสิ่งเหล่านั้นนะ่ยมันไม่สามารถสนองความอยากของหมู่สัตว์ได้ให้เต็มอิ่มได้อย่างแท้จริงสรุปก็คือว่า มันไม่สามารถที่จะถมมันให้เต็มได้เพราะตัณหามันไม่อิ่มในอารมณ์มันไม่ได้อิ่มในความต้องการยังไม่ถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเนี่ยทีนี้ในคราวหนึ่งๆเนี่ยจึงต้องพยายามเพื่อจะเข้าถึงสิ่งที่ตนอยากนั้นด้วยการกระทำแล้วกระทำอีกซ้าแล้วซ้าอีกและเพราะสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ของตนอย่างแท้จริง มันจึงต้องยึดไว้ด้วยความรู้สึกจูงใจตนเองว่าเป็นของตนในแง่ใดแง่หนึ่งเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าความคิดจิตใจของปุคคลเนี่ยมันไปยึดติดผูกพันอยู่กับสิ่งสนองความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอในขณะที่มันไปยึดติดแล้วก็ผูกพันเพื่อจะสนองความอยากของตนเองให้ติดต่อและต่อเนื่องเนี่ย กระแสชีวิตของหมู่สัตว์จึงปลอดโปร่งเป็นอิสระและเป็นกลางไม่ได้มันเป็นกลางไม่ได้เพราะอะไรเพราะสภาพของตันหาเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็หาจุดที่มันจะไปมองเห็นความเป็นจริงไม่ได้มันก็ไม่สามารถเป็นกลางไม่สามารถเป็นอิสระได้อย่างแท้จริงการมุปาทานเป็นไปในลักษณะแบบนี้ก็คือยึดมั่นไม่จบไม่สิ้นสภาพของโลภะเนี่ยเวลามันเกิด อยากหรือต้องการในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งขึ้นมาปุ๊บมันก็ขวายคว้าแสวงหาพอมันได้อารมณ์นั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถเติมเต็มความอยากงตนเองได้ก็ต้องพยายามเปลี่ยนในขณะที่เปลี่ยนนั้นก็เพราะอะไรเพราะต้องการอยากจะสนองความต้องการเขาเองให้มันเต็มเปี่ยมให้มันเต็มที่แต่มันก็ไม่ได้สัทีเนี่ยมันไม่ได้สัทีเพราะว่าอัตราตัวตนมันมีอยู่จริงที่ไหนไม่ได้มีมันไม่มีหรอก ก็มีแต่เรื่องของการที่ว่าเราจะเติมเต็มให้กิเลสนั้นมันเกิดความพอใจได้อย่างไรแต่มันก็พอใจไม่ได้อยู่ดีเพราะมันก็แปลเปลี่ยนตามสภาพของมันไปเรื่อยๆนั่นคือการมุปาทานนะส่วนที่ถูปาทานในความยึดมั่นในทฤษฎีใช่ในทฏิฏฐิต่างๆงที่ได้กล่าวแล้วความอยากให้เป็นหรือไม่ให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ตนต้องการก็ทาให้เกิดความ เอ็นเอียงที่จะยึดมั่นในทิฐิเอ็นเอียงในที่จะยึดมั่นในทฤษฎีหรือในหลักการในหลักปรัชญาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เข้ากับความต้องการของตนใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้นะทีนี้ไอความอยากได้สิ่งสนองความต้องการของตนเนี่ยก็ทําให้เกิดยึดมั่นในหลักการด้วยแล้วก็ยึดมั่นในแนวคิดในความเห็นยึดมั่นในลัทธิยึดมั่นในความเชื่อในคําสอนที่สนอง หรือเป็นไปเพื่อสนองความต้องการของตนนั้นทั้งหมดเหล่านี้ก็คือต้องการตอบสนองความต้องการที่มันเกลื่อกั้วอยู่กับตัณหากับทิฏฐิที่มันมาอาศัยกันแต่ทิฏฐิมันเด่นใช่ไหมเมื่อยึดถือความเห็นหรือหลักความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นตัวเป็นตนของเป็นของตนแล้วเนี่ยก็พนวกเอากับความเห็นหรือหลักความคิดนั้นเน่ยเป็นตัวเป็นตนไปด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่า เมื่อเห็นอะไรเมื่อคิดอะไรมันเลยผนวกว่าไอ้ความคิดเห็นนั้นมันเป็นอาตาัตราเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาอีกยิ่งนอกจากจะคิดนึกแล้วก็กระทําการต่างๆไปตามความคิดเห็นนั้นๆแล้วเนี่ยหรือในทฤษฎีตามที่เห็นอื่นๆที่ขัดแย้งหรือความเห็นที่ยึดไว้นั้นก็รู้สึกว่าสมมุติว่าถ้ามีทฤษฎีมีหลักการใดๆก็แล้วแต่เนี่ยที่มันมาขัดหรือไม่ตรงกับความยึดไม่ตรงกับความเห็นของตนเองมันรู้สึกว่าเป็นอะไร ถ้าหากาเราเห็นความคิดหรือทฤษฎีอื่นๆใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ตรงกับความเห็นของตนเองในขณะนั้นมีความรู้สึกยังไงรู้สึกถูกคุกคามไหมถูกคุกคามใช่ไหมแล้วทํำยังไงถ้ามีทฤษฎีใ ด, ดๆก็แล้วแต่ที่มันไม่ตรงไปกับทฤษฎีความเห็นความเชื่อความยึด ต, ติดของตนเองไงถ้าเราไปเจออย่างนั้นเราจะเป็นยังไงมันคุกแล้เหมือนถูกคุกคามไหมคุกคามใคร คุกคามตัวตนอัตตาของตนเองเนี่ยด้วยแล้วก็เมื่อเจอสถานการณ์อย่างนั้นปุ๊บมันจะมีความรู้สึกยังไงเหมือนสถานการณ์ต่างๆมันเข้ามาบีบคั้นแล้วมันจะทําลายอัตตาตัวตนของตนเองให้มันเสื่อมให้มันสลายไปปกป้องไหมปกป้องทฤษฎีปกป้องหลักการปกป้องความเชื่อปกป้องลัทธิปกป้องทัศนกติของตนเองเต็มที่ไหม เต็มที่เลยทุกวิธีทางถ้าหากสู้ไม่ได้ทำไงรู้ว่าทฤษฎีหลักการตันเองมันมันรู้สึกว่าเราจะโดนโดนคุก ค, คามแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะชี้แจงหรือตอบโต้ได้ทำยังไงต่อวิธีการที่ผ่านมาถ้หกกาห น, <laughs> น, นีไม่ได้ทำไงที่เจาหนาทมาทำไง <laughs> นาทเป็นยังไงฮะเครียดเลยนะ เวลาเราไปเจอทฤษฎีหลักการใดๆก็แล้วแต่ที่มันแย้งหรือมันขัดแล้วมันไม่ตรงตามที่เราคิดเห็นใดๆก็แล้วแต่มันรู้สึกว่าอทฤษฎีหลักการนั้นเป็นปฏิบัติกับเราไหมแท้จริงมันเป็นไหมหลักการจริงๆมันเป็นปฏิบัติหรือไม่เป็นแต่เราเป็นสำคัญว่าอัตราของเราทฤษฎีของเรามันเป็นเนื้อหนึ่งมันเป็นตัวตนของเราไปแล้วมันเป็นตัวตนของเราไปแล้วมันเป็นมัน ความเห็นนั้นเป็นเราเราเป็นความเห็นความเห็นอยู่ในเราเราอยู่ในความเห็นถ้าใครชมความเห็นก็เชื่อชมเราใครใครขัดความเห็นเราก็ชื่อว่าขัดแย้งกับเราไปด้วยและอันี้เป็นปฏิบัติกับเราด้วยเคยเป็นไหมล่ะแต่เราไม่พูดบางทีไอ้นี่พูดมึงกูไม่เชื่องเรากอดความเห็นไว้กอดความเห็นไว้แทนที่จะสละความเห็นแล้วก็ฟังด้วยใจเป็นกลางมันทําได้ไหม ทำไม่ได้เพราะมันปัญญาไม่สามารถออกมาทําหน้าที่ได้เต็มที่เรามันถูกทิฏฐิเป็นค อ, อกรอมปัญญาไว้กักปัญญาไว้แทนที่ได้ประโยชน์จากทฤษฎีความรู้ต่างๆให้เต็มที่มันกลับไม่ได้หรอกเพราะมันอัตราตัวตนมันถูกกระทบถูกกระแท ก, ถ, กทถูกเบียดถูกบีบนี่นเป็นอย่างนี้ไงนี่คือทิฏฐิทัศนคติความเชื่อแล้วมันก็กอดอยู่นั่นแหละทําไมมันต้งกอด ความเห็นทำไมต้องกอดหลักการกอดลทัทธิกอดทฤษฎีเพราะอะไรอ่ะทำไมต้องกอดทำไมไม่ปล่อยมันโง่ไงเพราะมันโง่ทิฏฐิมันโง่มันไม่ฉลาดไม่มีโมหะอยู่เบื้องหลังมันปิดความจริงมันไม่แทนที่จะสลัดทิ้งไม่ทิ้งใช่ไหมล่ะมันก็มันก็พยายามกอดฟัดความเห็นไว้กอดความเห็นไว้ มันรู้สึกว่าโดนคุกคามอัตตาตัวตนเนี่ยแล้วถ้าไปเจอสา ร, รการที่มันขัดแย้งกับทฤษฎีความเห็นตนเองพบเหนี่ยวเหมือนเป็นการเหมือนเข้ามาบีบคั้นทํำลายตัวตนให้เสื่อมโอหทำให้ตนเองด้อยทําตนเองพร่องลงแล้วก็สลายตัวไปอย่างใดอย่างหนึ่งต่อสู้ไหมก็ต่อสู้รักษาความเห็นไว้เพื่อศักดิ์ศรีของอัตตาตัวตนของตนเนี่ยก็เกิดการขัดแย้งไหมออกมาภายนอกไหมขัดแย้งออกมาภายนอก เกิดการผูกมัดตัวคับแคบหรือไม่คับแคบคับแคบด้วยเป็นอุปสรรคด้วยเนาะกักปัญญาของตนเองความคิดเห็นต่างๆไม่เกิดประโยชน์ต่อความหมายและวัตถุประสงค์แท้ๆของมันเลยทําให้ไม่สามารถเอาประโยชน์จากความรู้ไม่สามารถเอาประโยชน์จากความจริงและไม่สามารถที่จะรับรู้เรื่องต่างๆได้เท่าที่ควรจะเป็นเสียหายไหมทิฏฐุประทันนี อ้เรามีบ่อยไหมใช่ไหมล่ะแล้วก็เสียประโยชน์มาเยอะมากเลยแล้วเราก็เที่ยวไปประกาศหลักการหลักการในนี้คือประกาศทิฏฐิประกาศอัตตาประกาศทัศนาประกาศรัฐที่ประกาศความเชื่อชูธงคือทิฏฐิเนี่ยนะทัศนคติเนี้ย แ้วต้องการอยากให้คนอื่นยอมรับทฤษฎีทิฏฐิหลักการความเชื่อของตนเองนั่นถ้าใครคัดแยง้งคัดไม่เชื่อตามทฤษฎีหลักการตามความเห็นนะ่ะแปลว่าคนคนนั้นต่อต้านเราด้วยต่อต้านน <laughs> ถ้าใครชมไอ้นี้พวกใครไม่ชมก็คือไอ้นี้คัดแยง้งวิธีแก้ทําไงห น, น, นะน้าทําไงวิธีแก้หนู วิธีแก้ทำไงทำไงหรือจะไว่งไงวิธีแก้ทำไงเนี่ย ท, ทิศถนกลัวอะไรทิศถนกลัวอะไรมนุษย์ที่ มนุษย์ที่ไปเจราจาอะไรกันไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่ฟังกัน <c oughs> ไม่ฟังกันเนี่ยมันกอดหลักการกอดความเห็นมันกลัวตนเองเสียเปียบกลัวศักิ์ศรีอะไรต่างเยอะแยะหมดแล้วมันจะเสียใช่ไหมหะอทิฏฐิเนี่ยมันกลัวปัญญากลัวปัญญาฉะนั้นเวลาเจอปัญญาเนี่ยทิฏฐิไม่อยากฟังหรอกโวมันมัน แล้วถ้าหากไปเจอปัญญาที่เหนือกว่าทุกด้านนี่ไปไม่เป็นเลยทิฏฐิเหมือนเหมือนอรู้เวลากรสปะเนี่ยนี่เจ้าทิฏฐิเลยเนี่ยเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหไปไม่เป็นเลยที่แรกโอ้โหสมาทานกอดยึดมั่นว่าตนเองเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมโอ้กอด ความเห็นของตนเองว่าตนเองเป็นพระอริยะเป็นพระรหารแล้วก็พระพุทธเจ้าเนี่ยถึงจะมีฤทธิ์มีอนุภาพขนาดไหนแต่ว่าด้อยกว่าตนเองเ่ยสู้ตนเองไม่ได้กเพราะไม่เป็นพระรหารเหมือนตนเองใช่ไหมล่ะเนี่ยฉะนั้นตนเองก็ไม่ฟังพุทธเจ้าไม่สนใจแล้วก็พยายามกีดกันด้วยพอยิ่งเห็นอนุภาพของพุทธเจ้ามากขึ้นมากขึ้นก็ยิ่งกลัวแต่ในขณะเดียวกันก็ยังกอดความเห็นเขาไว้ กลัวความเห็นคือความเป็นพระรหารปลอมๆของตนเองเนี่ยจะหลุดไปกว่าทฤษฎีกว่าหลักการลทัทธิบูชาไฟตนเองผิงตนเองบูชาอยู่มันจะจ่ามันจะหายมันจะโดนทำลายนั้นต้องปกป้องทุกอย่างทุกวิธีทางในวันที่ชาวมาโคตก็ดีชาวอังคาก็ดีเขาจะมาจัดกิจกรรมใหญ่เนียตนเองนอนได้หลับทั้งคืนนะถ้าเกิดพทธเจ้ามาในวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดมาแสดงเลสขึ้นมาเนี่ยยุ่งเลยในงานเนี่ย ถ้าเกิดชาวมโคศชาวอังคาเป็นเห็นฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเนี่ยโอ้โหลาบสการาชื่อเสียงหรืออัตตาตัวตนของตนเองที่เคยได้รับยกย่องจะโดนทําลายเกลี้ยงเลยเนี่ยโอ้โหไม่อยากให้มาเลยไม่อยากให้มาเลยพระพุทธเจ้ารู้วาละก็ไม่ไปองรู้วาละจิตรู้กระบวนการความคิดวันนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยไปเสด็จไปบินตาบาต ท, ที่อุรุอุตลกุลทวีปแล้วก็ไปฉันที่สาอ น, นดาลพอช่วงว่างพระพุทธเจ้าก็เลยเสด็จ เสด็จนูน่นสีลังกาใช่ไหมล่ะสีลังกาเป็นครั้งแรกนี่นเป็นการเสด็จสีลังกาครั้งแรกหลังจากต่จสรู้แล้วประมาณไปครั้งแรกตอนนั้นก็คือไปขับไล่หมูยักษ์ออกจากลังกาทวีปเพื่อชำระเกาะทวีปให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อจะได้ในอนาคตพุทธเจ้าว่าพุทธศาสนาจะมาหน้าที่ตรงนี้ ปฏิสถานพุทธศาสนาที่ตรงนี้ก็เลยให้หมู่ยักษ์ไปอยู่อีกเกาะเราห่างกันมากแล้วให้กลับเกาะไม่เจอแล้วก็ทกําเกาะนั้นให้สะอาดเอาเทพเทวดาอาลักษ์ทั้งหลายมารักษาเากาะหรือประเทศนั้นไว้แล้ว พ, พระเทสดาชกลับพอกลับมาอีกวันหนึ่งพระเทวราก็ไปรู้เวลักระสบก็ถามว่าเมื่อวานนี้ทําไมพระผู้มพระตถาคตเอ๋พระสมณะโคดมยึงไม่มา พุทธยาก็เลยชี้โตมไปเลยบอกดูก่อนอุลุกเวลากสบเมื่อคืนเธอคิดอย่างนี้ใช่ไหมตกใจไหมโอ้โหท่านพูนี้รู้ความคิดเรารู้ความคิดเราหมดเลยโอโ้เราคิดไงน่าอายเหลือเกินว่าเงีนเน้ยโอ้โหท่านพูนี้มีคุณมากเลยเสียดายไม่ได้เป็นพระอรหันต์เหมือนเราจะไม่ได้ ใ, ใจคิดแบบเนี้ยพระเจ้าก็ชี้ลงไปเราดูก่อนอุลุกวเวลากสอบ กระบวนการความคิดแบบนี้ไม่ใช่พระละหันพระละหันไม่ได้มีกระบวนการหรือทัศนคติแบบนี้พระละหันไม่ได้มีปฏิปทาอย่างนี้เธอไม่มีคุณธรรมความเป็นพระละหันเลยไม่แต่น้อยสุดไหมหมดไหมหมดเลยทิถิที่กอดไว้น่ยกระจายทันทีเลยโอ้โหไม่มีที่พึ่งและตนเองยึดไว้อย่างนี้มาทั้งชีวิตว่าตนเองเนี่ยมีคุณธรรมเป็นพระละหันหลักการตนเองที่ทํามาทั้งหมดมันโอเคหมดแล้วยึดมั่นจะมีลูกศิลุกศิลฐาเยอะแยะหมดเป็นพันๆ หมดไหมเนี่ยพอหมดไปเสร็จปุ๊บนี่สุดไหมสุดลงหมดที่พึ่งไหมหมดเลยร้องหาใครหาพุทธเจ้าบอกช่วยเป็นที่พึ่งให้ข้าพระองค์ด้วยเถอดหมดจริงๆฮะโดนเขีย่ยหมดทุกประเด็นเลยไม่มีเลยว่างั้นเถอะไม่รู้จะไปทางไหนมันคือรู้แม้กระทั่งพฤติกรรมข้างนอกรู้แม้กระทั่งกระบวนการความคิดภายในยรู้แม้กระบวนการคิดในลักษณะนี้มันคือเป็นทิฏฐิ แม้ด่านสุดท้ายที่ตนเองกอดเขาให้คือความเห็นว่าเป็นพระอรหันต์ก็ถูกทํำลายเกลี้ยงหมดมไหมที่พึ่งนเนี่ยคำว่ า, าพุทธังสารานางขอปัญญาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าด้วยขอพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งด้วยเป็นสารณะเป็นเครื่องกําจัดภยัยขอมีพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นหลักในการดําเนินชีวิตของข้าพเจ้าด้วยถึงก็เลยต้องขอบวชและต่อมาก็บรรดาบริวารก็มาพระพุทธเจ้าก็ จากตรงนั้นก็พาขึ้นไปบนเขาแล้วก็ไปแสดงธรรมอาทิตตะปริยายจาสูตรในที่สุดจริงๆก็ไอ้ไฟคือราคาไฟคือโทสะไฟคือโมหะเนี่ยมันมันร้อนมากชาติชราพญาที่มราณะโสกับปริเทวะทุกขทมนะส า, าุปายาตไฟมันแผดเผาอยู่ตลอดเวลานิมูสัตวเนี่ยไฟที่ผิงอังข้างนอกมันไม่มันไม่ร้อนเท่ากับไฟคือราคาโทสะโมหโอ้โห ฟังทำมาไปสรุปประเด็นในที่สุดจริงถอนได้ไหมทิฏฐิกระทั่งรากเลยตรงนี้เนี่ยฉั้นคนที่ไม่เห็นไม่เห็นทิฏฐิว่าเป็นโทษหมดโอกาสที่จะบรรลุธรรมจะต้องเห็นว่ามันเป็นโทษเห็นว่ามันไม่มีสาระากแก่นสารว่ามันไม่ใช่อัตตาตัวตนมันเป็นกระบวนการความคิดยึดถือผิดๆจริงๆแล้วก็ต้องถอนออกได้จริงๆนั่นแหละถึงจะสามารถได้ปัญญาได้ถ้าตราบใดนะทิฏฐิ ไม่ถูกทำลายเสียไม่สามารถจะพัฒนาปัญญาขึ้นมาได้เลยข้อมูลความรู้ทั้งหมดทฤษฎีทั้งหมดหลักการทั้งหมดมันกลายเป็นอาหารของทิฐิหมดเลยนั่นะมันต้องทำลายตัวทิฐิออกได้เมื่อไหร่ปัญญาถึงจะได้มีโอกาสในการที่เข้ามาวิจัยแยกแยะสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเป็นต้นไดนะ้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมันยึงระมัดระวังยากมากว่าการที่เราพยายามขวายคว้าหาวิทยาการความรู้ต่างๆเหล่านี้ว่าเรากําลังให้อาหารของทิฐิหรือกําลังจะพัฒนาปัญญากันแน่ แต่โดยส่วนใหญ่ใ ห, emperor, hmm. ให้อาหารของทิฐิใช่ไหปัญญามันหมดออกปัญญามันถูกกักมันถูกกันถูกกั้นก็ไว้ปัญญาไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสเข้ามาโรดแล่นออกมาโรดแล่นในกระแสชีวิตที่จะนําพาชีวิตให้ดับดำเนินไปถูกทางได้มีแต่ตั้นหามานะและทิฐิที่มาเป็นหลักในการดําเนินชีวิตของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายก็เลยถูกตั้หามานาทิฐิครอบงําแล้วก็ครอบครองแล้วก็บงการแล้วก็คอยกาหนด กฎเกณฑ์ให้สัตว์เหล่านั้นเป็นทาตของตัณหามนาทิฏฐิแทนที่จะเป็นทาตของภารตะนาตรายก็เลยเป็นทาตของตัณหามนาทิฏฐิเป็นทาตของกิเลสเนี่พระเจ้าถึงบอกว่าเอ้ยคือออกจากความเป็นทาตกิเลสมาเป็นทาตของพระเจ้าว่าธรรมประสงค์ที่เธอจะได้เป็นอิสระเสรีภาพอย่างแท้จริงไม่ต้องไปรับใช้ตัณหามนาทิฏฐิอีกต่อไปสัตว์ก็มองไม่เข้าใจใช่ไหมล่ะเอ้ยว่าทํำยังไงตัวเองจะออกจากความเป็นทาตของกิเลสอย่างนี้เป็นต้นเริ่มเห็นยัง นั่นทิฏฐิเป็นแบบนี้เลยทีนี้ประการต่อมาเนี่ยพอมันมีทิฏฐิทิฏฐุปาทานแล้วมันตามมาโดยศีลประตูปาทานที่พูดไว้ความยึดมั่นในศีลละพดความอยากได้ความอยากเป็นอยู่ ความกลัวต่อความสูญสลายของตัวตนโดยไม่เข้าใจกระบวนการของเหตุปัจจัยในธรรมชาติผสมกับความยึดมั่นในทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งมันทำให้ประพฤติปฏิบัติตำตามกันมาแบบงมงายด้วยนะหนึ่งความอยากสองความเห็นเกิดต้องการเกิดความเห็นต้องการอยากได้สิ่งต่างๆมาตอบสนองความต้องการอัตราตัวตน สก็มีทฤษฎีมีทิฏฐิมีความเห็นขึ้นมาแล้วต่อมาจากทฤษฎีจากความเห็นขึ้นมาก็วางหลักการวางแบบปฏิบัติขึ้นมาเพื่อตอบสนองความอยากความต้องการตัวเองลักษณะอย่างนี้ก็เคยทําให้ประพฤติปฏิบัติตามๆกันแบบงมงายในสิ่งที่นิยมว่าดีว่าขลังว่าศักดิ์สิทธิ์ที่จะสนองความอยากของตนได้ทั้งที่ไม่มองเห็นว่ามันสัมพันธ์ตามเหตุปัจจัยตามความเป็นจริงยังไงไม่รู้เลยเีนี้ ใช่ไหมต้องการตอบสนองแล้วก็บอกว่าศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมไอ้ความอยากให้ตัวตนมันคงอยู่อยากให้ตัวตนคงอยู่อยากให้ตัวตนมีอยู่และความยึดมั่นในตัวตนมันแสดงออกมาภายนอกหรือทางสังคมในรูปของความยึดมั่นในแบบแผนและก็พฤติกรรมต่างๆที่มันทําสืบๆกันมามันสร้างสืบๆกันมา การทำสืบสืบกันมาและระเบียบวิธีขนมธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมตลอดถึงสถาบันต่างๆที่มันยึดติดกันมาเนี่ยนะที่แน่นอนตายตัวว่าจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเท่านั้นเท่านั้นมันปิดไม่ยอมเปลี่ยนแล้วล็อกตายตัวมาโดยไม่ตระหนักรู้ในความหมายไม่ตระหนักรู้ถึงคุณค่าไม่ตระหนักรู้ถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงและไม่ตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ของเหตุผลตามความเป็นจริงใดๆเลย กลายเป็นว่ามนุษย์สร้างสิ่งต่างๆเหล่านั้นขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อกีดกั้นด้วยปิดล้อมตัวตนทําให้แข็งทื่อยากแก่การที่ปรับปรุงและการที่จะได้รับประโยชน์จากสิ่งทั้งหลายที่เข้าไปสัมพันธ์ได้อย่างแท้จริงมองเห็นไหมให้เวลาเราสร้างระเบียบแบบแผนขึ้นมากติกาต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันต้องการอะไรอันดับแรกคือตอบสนองอัตราตัวตนสองคือทิฏฐิมันคิดเห็นอยากจะทําระเบียบหลักการมาก็วางระเบียบวางกฎเกณฑ์วางกติกาออกมา มันกลายเป็นยึดซับซ้อนใลหนึ่งต้องการสนองอัตราตัวตนสนองความต้องการของมนุษย์ 2. มีทิฏฐิทฤษฎีหลักการคิดทิฏฐิทฤษฎีหลักการมา3วางเป็นระเบียบหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์กติกาแบบแผนวัฒนธรรมออกมาโอ้โหไอ้นี้ไม่ใช่ยึดแค่ความเห็นนะมันเอาเอาออกมาเอาความเห็นออกมาเป็นระบบเอาความต้องการออกมาเป็นระบบแล้วก็เพื่อจะสนองความต้องการของมนุษย์หรือทิฏฐิของตนเองก็เลยวางเป็นระบบออกมาแล้วก็ให้ปฏิบัติตามนั้น แข็งทื่อโดยไม่เข้าใจไม่สนใจเรื่องเหตุและผลทําตามเนี้เอาใช่ใช่ใชแล้วก็สร้างเป็นระบบขึ้นมาเป็นรัฐที่เป็นสถาบันเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีขึ้นมาโดยไม่ชี้ถึงเหตุผลว่ามันได้ผลดียังไงแทนที่จะเอาเป็นหลักการในการประพฤติปฏิบัติให้รู้ให้เข้าใจกฎเกณฑ์กติกาอย่างนี้นอย่างแท้จริงไม่ละ ว, วางเป็นระบบนี้แล้วก็บอกมันศักดิ์สิทธิ์มันขัง ถ้าทําแบบนี้อย่างเหมือนพิธีกรรมทั้งหลายเหล่านี้ใช่ไหมโอ้โหทำพิธีกรรมต้องสารพัดเลยดนะ้อย่างพิธีกรรมปลูกเสกเลขยันอะไรกองต้องเจอกันอ่ามาทำพิธีขึ้นมาเอาเต็นต์มากลางบเบสเสร็จปุ๊บเอาสายศิลโยงโยงมาห้อยปุ๊บปุ๊บ ป, บ ป, บ ป, บปบคนก็ไป น, นั่งตรงนั้นก็สวมมัดหัวใครมัดหัวมันพากไปสวดเป็นเสียงเหมือนเสียงอะไรร้องเหมือนว่ามันจะวิ่งมาตามสายสายนั่นน่ะนะ พะจะได้มาเข้าระเบียบพิธีทุกคนก็เป็นนั่งไม่รู้ระเบียบ ไ, ไม่สนใจนะนึกว่ามันมีความขลังมันวิ่งมาตามสายนั้นก็พันก็ ห, หัวมนุษย์เราอย่างนะี้แล้วตนเองก็จะมีอะไรเข้าไปในตัวเองทำให้มันสักดิทธิ์ทำให้มันขลังโดยปราศจากเหตุผลที่แท้จริงก็เห็นไหมล่ะไอ้นั่นก็สวดเสียงเหมือนเหมือนอะไรร้องเ่อู้ออขึ้นมาแล้วเสียสวดเนี่ยเขาเรียกผ่านยัก พาน่ะแปลว่าย <wi> ักษ <itud soundtrack> ์ค <resur faced> <nar ic aja comigo> ือยักษ์เราเนี่ยยักษ์ร้องอะไรบเสียงร้องของยักษ์โอ้โหสวดกันใหญ่เอออกรณีที่เมื่อประพฤติศีลหรือปฏิบัติธรรมะข้อใดข้อหนึ่งแล้วไม่ทราบความมุ่งหมายไม่คำนึงถึงเหตุผล ได้แต่ลงสันนิฐานเอาเองว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์เมื่อลงได้ปฏิบัติแล้วก็จะศักดิ์สิทธิ์เองนี้เป็นต้นย่อมต้องได้รับผลดีอย่างแน่นอนถ้าปฏิบัติอย่างนี้แล้วเชื่ออย่างเนี้ยคนเหล่านี้ก็สมาทานศีลประพฤติ ธ, ธรรมะแต่เพียงตามแบบฉบับตามตัวอักษ ร, รตามประเพณีตามตัวอย่างที่ทําสืบๆกันมาแบบปรำปราไม่เข้าถึงเหตุผลในสิ่ง น, นั้นๆแต่เพราะอาศัยการประพฤติปฏิบัติกันจนเคยชิน ก็ยึดถือจึงเหนียวแน่นเป็นอุปาทานชนิดที่แก้ไขยากที่สุดเพราะมันมีระเบียบมีข้อปฏิบัติมันมีแบบแผนออกมาแล้วมันแก้ไขยากมากยากไหมล่ะเหมือนเถนสองบาทโดยไม่บอกเหตุผลคําว่าเถนสองบาทแปลว่าอะไรรู้ไหมก็คือพระพระเทล่เนี่ยเวลาเขาจะไปบินตบาทเสร็จเขาก็ออกมาเสร็จเขาก็มาส่องที่แรกเขารู้เหตุผลนะ ส่องเอาส่องเวลาตะวันมันแสงตะวาก็ส่งเขาต้องดูว่าบาทมันรั่วหเปล่าใช่ไหมเก็ทํางนี้แต่ว่าเถนเถนสองบาทก็ไม่ได้บอกเหตุผลพระเทล่เนี่ยเถเถนก็คือเถละท่านสองบาทก็ท่านดูว่าบาทท่านรั่วหรือเปล่าถ้าบาดรั่วบาทท่านรทั้งหลายเป็นอบาตเนี่ยท่านส่องโอ้ไม่มีแล้งไปคนที่นั่นก็อ๋อมันต้องทําอย่างนี้ก็เลยส่องตามคือยกบาทขึ้นมาแล้วก็ทําตามแต่ไม่รู้หรอกส่องอะไร ก็เลยทําตามๆกันมาแต่กาว่าเถระนั้นตาย <c oughs> กูก็ส่องใหญ่เลยเดีย๋ยนี้มากะส่องมากะส่อ <c> ง <oughs> ทําตามๆกันมาอย่างนั้นโดยไม่รู้เหตุผลกรณีอย่างนี้ก็อหลักศีลแล้วประตูปาทานประพฤติปฏิบัติแบบงมงายแบบไม่รู้เหตุผลไม่รู้ไม่รู้ว่าทําทําไมไอ้สมาทานศีลไปทําไมทําไมเวลาจะสมาทานศีลนะทําไมต้องคุกเข่าขึ้นใช่ไหมเนี่ยคุกเข่าขึ้นเนี่ย เออทำไมต้องโคกข่าไปนมมือไมยังพันเตวิสุงวิสุงลัขณทายาติสรเนนสหปัญจสีลานิยาจะมันก็ต้ใช้เสียงแบบนี้ด้วยนะเออจะทำไมยังพันเตพระ อ, อวิสุงเนี่ยทำเสียงธรรมดาได้ไหมทำไมต้องแก๊กเสียงอย่างนั้นด้วยอ่ะส่วนพระก็นะโมตัสสะภะคะวะโตเออทำไมต้องทำอย่างนั้นด้วยทำไมทำอย่างนี้มองมองออกไหม นี่ไงมันทำแบบไม่รู้ไม่เข้าใจเหตุและผลใช่ไหมล่ะแล้วแล้วที่บอกว่าเนี่ยพอคนที่เป็นมัรคนายกเนี่ยจะนำก็ต้องคุกเขา่านำที่แต่ก่อนมีมรรคมากระ า, ายกคนหนึ่งที่มันอ้วนอยู่ไหมันนั้นอ้วนเนี่ยเวลาจะคุกเข่าแต่ที่สมัยก่อนมันนุ่งจงกระเบนเนะ นี่แกอ้วนนะเนีแกอ้วนแกก็เลยต้องปลดฐางกระเบนออกแล้วก็มันอ้วนมันรัดท้องแกแกก็ไม่ได้ที่จริงคืออ้วนไอเจนี้ก็ตายไปต่อมาก็มีไอมรกระทายกคนหนึ่งใช่ไหมมันคื็นคนผอมมันก็เห็นดูมาตลอดมันก็เลยทาบ้างเวลาจะสมาทานศีลมันก็เลยปลดปลดกับเบนฐางกระเบนออกมองไหมมันก็นึกว่าเออประเภทการมันมันทํามันจะสังขังศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันจะต้องมีการปลดหางกระเบนออกใช่ไหมล่ะ แล้วมันไม่ทําคนเดียวมันประกาศด้วยสมัยโบราณเนี่ยนะมันท่านทั้งหลายเชิญปลดหางกระเบนด้วยกันทุกคนเจ้าข้าโอ้นี่นีอันนี้เอาแล้วแต่นี้ไอ้เจ้านี่บอกเลยอ่ะมันไม่ใช่ไอ้เจ้านั้นมันอึดอัดมันทำมันทำแค่คนเดียวมันเพราะมันนุ่งนุ่งมันไม่สะดวกมันไอ้นี่ประกาศบอกเลยใช่ไหมเพราะทําตามๆไงแต่ต้องการโชว์ทิฐิของตนเองทัศนงติตัวตนเองเนี่ยอฉลาดกว่าไอ้เจ้าอ้วนที่มันตายไว งั้นกูประกาศเลยท่านทั้งหลายเชิญปลดหางกระเบนด้วยกันทุกคนเจ้าค่าก่อนจะรับศีลเนี่ยนะก็มาอย่างพันเตกว่านี่เด็กมันไปด้วยมันไปกับพ่อมันก็ถามพ่อทําไมเวลาจะรับศีลทำไมต้องปลดหางกระเบนไอ้นี่มันนึกเหตุผลไม่ออกมันก็เลยใช้ขู่อีห่ามึงไม่รู้อะไรด่าเด็กนะ เด็กมันก็เงียบมันโดนครูถามไม่รู้เรื่องไอ้หางโง่ไม่รู้เรื่องอะไรก็ด่าด่าเด็กแล้วก็พักก็ฉันไปเด็กมันก็ถามเลยสกิดพ่อพ่อมันสงสัยมันใช่ไหมว่าทําไมต้องปวดหางกระเบนทําไมต้องปวดหางกระเบนอีสจะดาครั้งที่สามพอเด็กถามาโอ้โหโอุทาม์บอกบ้ามึงนี่โง่งจริงทําไมปวดหางกระเบนแล้วศีลมันจะเข้าทางไหนวะ มันเข้มันเข้าใจว่าศีลมันวิ่งเข้ามามองออกอยังมันงอมงายไหมเงี้ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยทำให้ปดหางก็ะเบนแล้วศีลมันจะเข้าต่างเออไอเนี้ยคือมันแท้ไปเรื่อยแทกไปเรื่อยเพราะทิถีเนี่ยใช่ไหมคิดว่าโอ้สุดยอดแล้วที่ตัวเองเข้าใจเข้าใจว่าขังจริงจริงนะเนี่ยนึกว่ามันมีเวลาพระให้ศีลเนี่ยศีลมันวิ่งออกมาจากตัวพระมันเข้าไปแทรกเข้าไปฉะนั้นต้องปวดหางก็เบนให้ศีลมันวิ่งเข้า มองออกไหม <c oughs> นี่ความเก้าใจนี่อกกรณีที่ถือแบบลักษณะว่าเป็นตามตัวอักษรอถามว่ามีใครสักกี่คนที่จะเข้าใจศีลที่มันถูกต้องเวลาไปสมาทานศีลจบปุ๊บแล้วทำอะไรต่อแล้วก็สำคัญว่าศีลมันเกิดแล้วทุกคนอย่างนี้หมดเลย สำคัญว่าได้ศีลแล้วและเข้าใจได้ ว, ว่าศีลนั้นมันเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็แล้วแต่เดีย๋ยพอไปรับอย่างนั้นแล้วจบแล้วไม่มีกระบวนการอะไรต่อเลยว่างั้นแต่ชีวิตของคนวันนั้นเนี่ยก็ไปนั่งคุยกันทําอะไรกันธรรมดาที่แหละไปงานบวชงานแต่งเสร็จรับศีลเสร็จก็กลับมาก็ไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะพฤติกรรมใดๆไม่เห็นเปลี่ยนแปลงใดๆเลยใช่ไหมเพราะถือว่านี่ไงทําตามถ้าไม่มีโอโ้โหโวยวายเลยทําไมพระถึงไม่ให้ศีลก่อนจะสวดโวยวายอีก พอมันประเพณีมันวางร็อกเอาไว้แบบนี้ไงแล้วไปสวดพระสวดมนต์ยังไงก็นึกว่ามันจะขังแล้วโอ้ยตั้งใจฟังโอ้โหมันเป็นระเบียบเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีเป็นศักดิ์สิทธิ์พอพระสวดมนต์เงียบตั้งฟังว่างั้นถอะแต่พอพระพูดพูดสวนเลยนะไม่เอาถ้าปัญญาไม่เอาแต่เอาระเบียบแบบแผนเอาทิฏฐิงี้เอา แล้วก็สำคัญว่า อ, อวันนี้ไปไหนมาไปทำบุญเอาบุญมาฝากก็อีกเอาบุญแบบมึนๆง ง, งงๆเนี่ยมาฝากโดยไม่รู้เหตุผลด้วยจริงไหมล่ะนี่แหละลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ามันเป็นอุปท า, านที่เหนียวแน่นเป็นอุปท า, านชนิดที่แก้ไขา ย, ยากต่างจากอุปท า, านคือกามุประทานและที่ถูราทานต่างกันนะ การยึดถือในทิฏฐิหรือความคิดเห็นผิดนะส่วนการถือปฏิบัติในข้อปฏิบัติที่มันแสดงออกมาภายนอกเนี่ยมันเป็นอุปาทานที่แก้ไขา ย, ยากมากลองไปรื้อระบบระเบียบอะไรสักอย่างยากไหมที่เขายึดถือกันมาแล้วเช่นเขาจะไห ว, ว้เจ้ากินเจอะไรเงี้ยลองลองดูดิเนแก้ได้ไหมล่ะมันเป็น ศีรพรตตุปาทานเรียบร้อยมันยึดด้วยทิฏฐิด้วยความเห็นด้วยทัศนคติที่ ท, ท, ที่ที่ตายตัวคงที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยศีรพรตตุปาทานเนี่ยมันแก้ไขายากเพรามัน อ, ออกมาภายนอกเรียบร้อยแล้ววางเป็นข้อปฏิบัติเรียบร้อยแล้วทำ ต, ตามๆกันมาขังศักดิ์สิทธิ์อ้าวบงทีจุดกระดาษแล้วก็คิดว่าอุทิศส่วนกุศลให้คนตายได้เผารถบ้าง เผาบ้านบ้างเอากระดาษมาทำเป็นรถเป็นบ้านแล้วก็เผาไปให้พ่อยแม่คิดว่ามันใช่ไหมมันสมเหตุสมผลไ้มอ่ะเสีแล้วรัตถุตฐาน สีระพตุปาทานสีระพตาปาทานมปนอันเดียวกันศัท์เดียวกั น, วกนความยึดมั่นในสีรพพน์ความยึดมั่นในการรักษาศีลที่ไม่ถูกต้องตรงตามความหมายของศีลที่แท้จริงมันเป็นสีระพตุปาทานการรักษาศีลที่ที่ที่ไม่ฉลาดไม่ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของการเจริญศีล ร, รักษาศีลที่แท้จริงเป็นหมดเลยนะ มันไม่ใช่รวมแค่ศีลอย่างเดียวรวมไปเที่ยวธรรมะทิฏฐิหรือธทำสมาธิด้วยเข้าการเจริญสมาธิแล้วก็เข้าใจว่าการเจริญสมาธิอย่างนี้เท่านั้นที่จะพ้นทุกข์อย่างเงี้ยแม้อย่างนั้นก็ยังจัดลงในศีลและวัตถุปาทานเลยเป็นข้อปฏิบัติมันผิดเพราะไม่เข้าใจวัตถุประสงค์หลักการที่แท้จริงถามว่าศีลเนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่าเจตนาที่งดเว้นจากการฆ่าใช่ไหม การที่มีเจตจํานงมีความจงใจตั้งใจที่จะงดเว้นจากการฆ่าเพื่อละเวลาเจตนาอากุศล ท, ที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่อทํากายให้สะอาดวาจาให้สะอาดอาชีพให้บริสุทธิ์เพื่อเป็นปัจจัยเกิดความไม่เดือดร้อนใจเพื่อปราโมทเพื่อปีติเพื่อปัสสติเพื่อสุขเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงถ้ามันเข้าใจอย่างเงี้มันถึงจะเป็นนั่นถึงจะเป็นอริยกันตศีล ศีลที่ภาริยะชื่นชมรักให้เป็นอัปรามัทธศีลศีลที่ไม่ถูกตั้หามนณฑิติเข้าไปรูปคําจับฉวยจึงจะเป็นศีลที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนาที่พระ อ, องค์ทรงประสงค์แต่ถ้ารักษาโดยไม่รู้ไม่เข้าใจงมงายเข้าใจผิดหรือปฏิบัติผิดต่อศีลไม่รู้วัตถุประสงค์ในการรักษาที่แท้จริงจัดเป็นศีลพรปรตุตตปาทานหมดเลยว <c oughs> ่างั้นจะชัดเลยเงี้ยไม่เป็นเลยฉะนั้นไม่ใช่อยู่ยจับ คนมาสมาทานแล้วไม่บอกความหมายไม่บอกวัตถุประสงค์ไม่อธิบายอะไให้เข้าใจเนี่ยเป็นหมดเลยในนี้เพราะมันไม่ฉลาดอริยาการศีลเนี่ยศีลที่พระ อ, อริยบุคคลชื่นชมรักให้เขารักษาศีลเพื่ออะไรเพื่อทำพฤติกรรมทางกายทางวาจาและอาชีพให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดใช่ไหมเพื่อเป็นปัจจัยแก่ความไม่เดือดร้อนใจเพื่อเป็นปัจจัยแก่ปราโมดความอิ่มใจ ปีติพยายามลดความความอิ่มใจเล็กน้อยปีติความอิ่มใจอย่างมากปัจสทานความสงบสุขสมนัตแล้วก็เป็นปัจจัยแก่สมาธิสมาธิเป็นปัจจัยเก็บปัญญาเพื่อจะเข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริงเพื่อลักิเลสเป็นปัจจัยเก่ับความพ้นจากกิเลสและกองทุกข์อย่างนี้ถึงจะไม่เป็นศีรปตุ ป, ปาทานถ้าอย่างนั้นมันก็จัดว่าเป็นเพราะรักษาศีลด้วยความไม่รู้หรือรู้ผิดเข้าใจผิดนี่ปฏิบัติผิดไม่เข้าใจแค่ไปรักษาไปสมาทาน แล้วก็จบกันไปวันวันหนึ่งกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยไม่รู้ไม่เข้าใจเลยเนี่ยมันเป็นสีรับประทานหมดเลยเข้าใจยัง <c oughs> มันจะเป็นไปลักษณะอย่างนั้นแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละอ้าวยังมาบวชเนี่ยเออพอดีแล้วสุขภาพมันไม่ดีเว้ยหมอดูบอกว่ามาบวชแก้บนนะลูกนะ จะได้ดูดีขึ้นเนี่ยแล้วก็มาปฏิบัติศีลเพราะเข้าใจว่าการมาบวชอย่างนี้แล้วมันจะทําให้หายโรคจากโกาครคภัยไข้เจ็บเนี่ยการรักษาศีลแบบนี้เป็นศีลรับประตูปาทานมันไม่ได้ถูกต้องตรงตามศีลตามสภาวะของศีลการจเจริญศีลที่แท้จริงเลยจุดหมายของศีลมันไม่ใช่ศีลเนี่ยเพื่ออะไรใช่ไหมเพื่อทํำกายกรรมวิจิกรรมและอาชีพไม่ให้เกินก้นไม่กระจัดกระจายไม่ซ่านไป ศีลจะได้เป็นฐานรองรับคุณธรรมเบื้องสูงมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเป็นต้นใช่ไหมมันสองส่วนเนี่ยศีลและณเนี่ยเพื่อทําให้กายกรรมปีจีกรรมอาชีพนั้นไม่เกินกล่นไม่กระจัดกระจายไม่สซ่านไปด้วยความพูดทุศีล 2. เป็นฐานรองรับคุณธรรมเบื้องสูงก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเพื่อจะได้รู้เห็นตามความเป็นจริงใช่ไหมศีลต้องอย่างนี้นะ แล้วศีลเนี่ยกิจของศีลมันจะต้องกําจัดความทุศีลใช่ไหมถ้าเจตนาที่งดเว้นจะปานาติบาตมันต้องละเจตนาที่จะไปทำปานาติบาตใช่ไหมมันต้องละเจตนาชั่วร้ายที่เกี่ยวกับการฆ่าและการเบียดเบียนได้เจตนาที่งดเว้นจากการลักทรัพย์มันต้องไปละเจตนาชั่วร้ายที่คิดรักทรัพย์เจตนาที่งดเว้นจากการ ประพฤติผ <m sponsorship> <sm utter> <sc mira> ิดในกรมมันต้องละเจตนาชั่วร้ายในการที่จะไปประพฤติผิดในการมเจตนาที่จะงดเว้นจาการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาเพื่อเจริมันต้องละเวลาเจตนาสนที่ไปเหตุในการพูดเท็จส่อเสียดเพื่อเจริเป็นต้นได้เจตนาที่จะเอาของมึนเมาใส่ในกระแสชีวิตเนี่ยมันต้องละเจตนาชั่ว้ายที่จะเอาของมึนเมามาใส่กระแสชีวิตเพื่อที่ที่ทาให้สติสมบูรณ์ยากโดยยงฟันเฟือเรีนหลงใช่ไหมมันต้องละเจตนาชั่วร้ายเพื่อเป็นปัจจัยแก่ปราโมทปีติปัสสติสุขและสมาธิ เพื่ อ, อยะถาพอดิญญาทัศนาญิพิทาเวลาค่ะโอ้โหไปใหญ่เลยใช่ไหมเพื่อความหลุดพ้นนี่หลักการของศีลมันเป็นอย่างนี้แล้วเหตุใกล้ของศีลมันต้องมีความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปมันต้องมีศรัทธาในพระรัตนตรัยเป็นต้นมันถึงจะเป็นแปลงบันดาลใจในการที่จะทําให้กุศลรศรีลน่าเจริญงอกงาม <S <S พอมีศรัทธาในพระรัตนตรัยมันต้องฟังคําสอนองุฏิยาวให้รู้เรื่อง ว่าการรักษาศีลการเจริญศีลเพื่อจุดหมายอะไรศีลเป็นปัจจัยกับสมาธิยังไงสมาธิเป็นปัจจัยกับปัญญาปัญญาเป็นปัจจัยการหลุดพ้นยังไงโอ้มัต้องรู้ขนาดนั้นนะมันต้องจะไม่เป็นศีลรับประทานปารมาสปามาสหรือศีลรัต ป, ประทาทานยังไงเล่ายากไหมเนี่ย <c oughs> ใส่น้ำร้อนไมนะ่นานพอพอมองเห็นนีอย่างว่าจริงๆเป็นอย่างนี้ทีนี้เราเคยถูกกระเทาะความไม่รู้ออกอย่างนี้จริงๆไหมมันต้องเป่าความไม่รู้ออกไปนะเขาเราียกเป่าความโง่ออกเป่าความเห็นผิดออกกระแทกความโง่ความเห็นผิดความเขาไม่เข้าใจทั้งหลายให้ออกไปจากกระแสชีวิตให้หมดถ้าอย่างนี้มันถึงจะเป็นอริยการตศี น, นเป็นศีลที่พระอริยบุคคลชื่นชมรักให้ อันนี้ออกได้เลยมันต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่ารักษาศีนยังอึมครึมอยู่แล้วแยกไม่ออกเลยนะแยกไม่ออกแยกกุศลอกุศลไม่ออกยุ่งเลยเดี๋ยวนี้มองเห็นีหมอย่างนั้นส่วนใหญ่มันยิงเป็นศีล้วปฐุปาทานมันเรื่องใหญ่นะศีแล้พปฐุปาทานเนี่ยอความไม่เข้าใจใช่ไหมล่ะ อ๋อที่ระบวดมาเรารู้มอย่างนี้ไหมล่ะเห็นไหมแล้วเป็นอะไรเป็นอริยการตศีลหรือเป็นศีลละปตูปาทานเป็นศีลละประตูปาทานเห็นไหมเนี่ยไม่ได้เป็นอริยการตศีลคําว่าอริยการตศีลเนี่ยศีลที่พระอริยบุคคลชื่นชมรักให้ศีลที่พระพุทธเจ้าชื่นชมศีลที่พระทหานตสาวกชื่นชมศีลที่พระอริยะท่านชื่นชม ว่าเออคุณรักษาศีลได้ถูกต้องดีงามเป็นไปเพื่อตามวัตถุประสงค์การรักษาศีลการเจริญศีลที่แท้จริงเนี่อรักษาศีลแบบเนี้ไม่มีที่สุดรักษาศีลที่ไม่มีญาติเป็นที่สุดไม่มีอวัยวะเป็นที่สุดไม่มีทรัพย์เป็นที่สุดไม่มีชีวิตเป็นที่สุดเป็นการรักษาศีลเพื่อปราโมทย์ปีติปสัสสิสุขสมาธิเพื่อปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงเพื่อนิพิทาวิราคะเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อนิพพานโดยแท้ ศีลอย่างนี้แหละที่พระเจ้าบำเพ็ญบารมีมาเพื่อมาตรัสบอกศีลเหล่านี้เพื่อให้หมู่สัตว์ทั้งหลายเจริญศีลเป็นปัจจัยกับสมาธิสมาธิเป็นปัจจัยกับปัญญาปัญญาที่ก็รู้เห็นตามความเป็นจริงนี่แหละอุตสาบบำเพ็ญบารมีมา20อสะสงคขายยิ่งด้วยแสนมหากับก็เพื่อต้องการให้สัตว์โลกเข้าใจศีลแบบนี้ไม่ใช่อย่างที่เขามีกันอยู่ไอ้ศีลแบบนั้นน่ะไม่ต้องพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมามันก็ทํากันอยู่แล้วมันก็มีกันอยู่แล้วไม่ต้องอาศัยสัรพยุติยานก็โงๆมนทํากันอยู่แแล้วย่หมด เขามีกันมาก่อนแล้วศีลเนีเป็นศีลพรตูปปลาทานศีลพระตปรามาดเนี่ ย, ม, ยมีกันอยู่แล้วไม่ต้องอาศัยพระเจ้าไม่ต้องใส่ัพระปัญญาบา ร, รมีหรอกกันรักษากันอยู่แล้วจริงไหมล่ะแบบไม่ต้องรู้เรื่องอะไรงมงายแล้วก็มีกฎเกณฑ์มีกติกาแล้วก็ว่ากันไปโดยไม่รู้วัตถุประสงค์ที่แท้จริงเนี่ยโอ้โหเยอะมีใครไปถามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการสร้างองค์กรหรือระเบียบระบบขึ้นมาจริงๆริงไหมเพื่ออะไร เพื่ออะไรที่คุณวางระบบขึ้นมาเนี่ยการยึดมั่นในสถาบันองค์กรทั้งหลายเหล่านี้เพื่ออะไรมันได้ดียังไงไม่ดียังไงมาแยกแยะไหมยึดมั่นผิดยึดมั่นถูกยังไงมันจะได้เป็นไปเพื่อจิตเป็นอิสระโปร่งเบาหรือเป็นไปเพื่อความยึดติดหนักเหนียวแน่นหรือเป็นไปเพื่อไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยลองไปดูดิไม่มีเลยมากไม่เคยไปถกกันอย่างให้ถึงพิกถึงขิงเลยเลยนะเข้าใจไหมล่ะการวางระบบกฎเกณฑ์กติกาใดๆขึ้นมา เดี่ยวกันมาไม่เชื่อลบหลู่เอาไปใหญ่เลยเดีเนี้ย <c oughs> เริ่มเห็นยังเรื่องใหญ่ไม่ได้สิแล้วประตูประทานในประเทศไทยเนี่ยในโลกเลยว่างั้นเลยเรื่องใหญ่แล้วแล้วมนุษย์กว่าจะฉลาดได้แต่ล ะ, ละทีในะยากไหมแล้วขนาดบอกบอกอย่างนี้กลับไปเดี๋ยวมันก็กลับไปโง่อีกใช่ไ้มล่ะมันเหมือนไอจอกแหนะอยู่ในน้นําน่ยแหวกแวกแหวกแว ก, แว ก, แวกเดี๋ยวกลับมาติดกันอีกแล้วความไม่รู้ ทำไงอ่ะก็วิตขึ้นให้หมดวิตขึ้นบนบกไะใหม่นน้ำใสจริงๆก็ได้ใช่ไหมทําไมต้องมาวยแหวกๆกันเลวิตออกซะที่วิตความไม่รู้ออกให้หมดเสียแค่นี้ก็จบแล้วให้มันเข้าใจอย่างทองแท้เสียอย่างนี้ชัดเลยเดี๋ยวนี้นี่เราไปแหวกๆ แ, แ, แล้วก็ปล่อยแล้วก็ไหลมาติดกันนี่มึนอีกไม่รู้เรื่องอีกแล้วไปอยู่ในสังคมอยู่แบบนั้นอีกไปอีกแล้วไปตามเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวตามเขามึนๆงงๆไปตามเขาอีก แล้วก็สอนตามๆกันมาอะไรตามๆกันมาอย่างนั้นมันเป็นแบบเนี้เกิดมาจากอะไรความต้องการมาจากอะไรมาจากความเห็นผิดมาจากอะไรก็เลยวางระบบออกมาเป็นระเบียบวัฒนธรรมประเพณีขึ้นมาแล้วก็ไม่ไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงไม่เข้าใจเหตุผลที่แท้จริงว่าเพื่ออะไรยังไงว่ามันสัมพันธ์กับเหตุปัจจัยยังไงก็ไม่ไม่บอกนี่ศี ร, รัปโตปาราทานประการสุดท้ายคืออัตวาทุ ป, ปาทาน ความยึดมั verder, ่นในวาทะว่าต <c oughs> <on the Snapchat> ัวตนความรู้ส <what rated> ึกว่ามีตัวตนที่แท้จริงนั้นน่ะมันเป็นความเห็นผิดที่มันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วจริงไหมล่ะความความเห็นผิดความรู้สึกว่ามันเป็นตัวตนที่แท้จริงมันเป็นความเห็นผิดอยู่แล้วเช่นเห็นผิดว่ารูปเป็นเราหผมเป็นเราเราเป็นผมรูปเป็นเราเราเป็นรูปรูปอยู่ในเราเราอยู่ในรูป เป็นพื้นฐานอยู่แล้วความเห็นผิดแบบเนี้ยเวทนาสุขทุกอุเบกขาเป็นเราเราเป็นสุขทุกอุเบกขาไอตัวสุขทุกอุเบกขาก็อยู่ในเราเราก็อยู่ในสุขทุกอุเบกขาที่แหละไอตัวเวทนาเนี่ยสัญญาเป็นเราความจำเนี่ยเป็นเราเราเป็นสัญญามันอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันเลยเนี่ยไอสัญญาความจําก็อยู่ในเราเราก็อยู่ในสัญญา เราก็อยู่ในความจำนั้นความจำก็อยู่ในเราเราเป็นสัญญานั้นสัญญาก็เป็นเราแล้เข้าใจอย่างนี้เลยนะเอาเวลาเกิดความจำได้หมายรู้ขึ้นมาเนี่ยถามว่าจำได้หมายรู้เนี่ยใครจำได้ใครจำได้รไดเราไง <c oughs> ไอเราเดี๋ยนี้มันจริงๆเรามันมีอยู่จริงไหมแท้จริงสัญญาขัน เป็นสภาวธรรมที่หนึ่งองค์ประกอบหนึ่งของกระแสชีวิตเป็นผู้ทําหน้าที่จำใช่ไหมแต่สัตว์โลกมันไม่เคยถูกแกะประเด็นแยกประเด็นตรงนี้ก็เลยไปฝังลงไปว่าเรานะี่ยจำการจําได้เป็นเรานั้นเราคือความจําความจําคือเราเราอยู่ในความจําความจําก็อยู่ในเราฉะนั้นความจํากับเราเนี่ยบางทีก็แยกกัน ความจำอย่างหนึ่งแล้วมันมีเราไปแทรกไปสิงเป็นแก่นเป็นแกนอยู่ในในสัญญาเนี่ยเป็นตัวคอยกํากับอยู่กับสัญญานั้นนั้น <c oughs> นี่มันสำคัญผิดยังไงนั้นงงไหม <c oughs> มันมีผมไปจำไหมใครจำ เป็นคนจาสัญญาที่มันประกอบอยู่ในจิตเนี่ยเป็นผู้ทําหน้าที่จํามันเป็นสภาวธรรมชนิดหนึ่งมันอยู่ตรงไหนและสัญญามันอยู่ตรงไหนอ่ะมันเป็นนามธรรมมันเกิดร่วมกันกับจิตไอเวทนาขันไอสัญญาขันโดยนั้นน่ยมันเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งมันเป็นกองของของกระแสชีวิตกองหนึ่ง เป็นอดีตก็มีอนาคตก็มีปัจจุบันก็มีเป็นภายในภายนอกอย่าละเอียดเรวประณี่ใกลๆใช่ไหมล่ะไอตัวสัญญาตัวนี้มันเป็นเราที่ไหนแต่เราไปสําคัญผิดมันเป็นพื้นฐานของความเข้าใจผิดของสัตว์โลกอยู่แล้วมันสําคัญว่ามันมีอยู่มันมีเราไปอยู่ในสัญญาสัญญาเป็นเราเราเป็นสัญญาสัญญาอยู่ในเราเราก็อยู่ในสัญญานั้นพอเกิดความจําขวดน้ําได้ปุ๊บมันไม่สําคัญมันไม่ได้ไปเข้าใจถูกนะว่าสัญญาเป็นผู้จําแต่มเข้าใจว่าเราเป็นผู้จํา เราจําได้เราจําไม่ได้ใช่ไหมเหมือนเราจําว่านี่เราจําว่านี่ลูกเรานี่ภรรยาของเรานี่บ้านเรานี่ยศของเราในความรู้สึกอย่างนั้นนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของกระแส ช, ชีวิตส่วนหนึ่งของนามธรรมแต่พอไปสัญญาไปจําอย่างนั้นเขาทํากิจในการจําของเขาเราก็เลยสำทับว่าเราจําได้นั่นเป็นของเรามันก็ไปยึดติดอีก ยิ่งสัญญามันไปบวกกับขันอื่นก็อีกเช่นไปบวกกับตัณหามานะทิฏฐิก็อีกไปกันใหญ่เขาเรียกปะปัญจะสัญญาใช่ไหมตัวปะปันจะสัญญาเนี่ยความจํำตัวสัญญาที่มันทําให้เนิ่นช้าในสังสารวัฏเนี่ยแปรตามตามสืบๆกันมาเช่นสัญญาตัวปั่นทั้งหลายเหล่านี้สัญญาที่เป็นใบกิเลสใช่ไหมปะปันจะสัญญาเนี่ยความจํำพราะไม่เกิดร่วมกับทิฏฐิโอ้โหแต่เนี่ย เกิดขึ้นกับความเห็นขึ้นมามันเป็นทิฏฐิของเรามันเป็นความเห็นของเรามันเป็นความทัศนคติของเราเป็นความเชื่อของเราไหมมันเป็นความอยากความต้องการของเราแล้วก็อันนี้มันเราเสียเรามเราเรามียศถามว่าเ <c oughs> <c oughs> นี่ยความเข้าใจในลักษณะอย่างเงี้ยเป็นความเข้าใจที่มันไม่ตรงตามความเป็นจริงมันไม่มีเราก่อน โดยฐานมันไม่มีแล้วมันมีเราที่ไหน่เนี้ยเรามันคืออะไรอัตตามันไม่มีอยู่จริงมันไม่มีอยู่จริงตัวตนมันไม่มีอยู่จริงแต่ความเห็นผิดว่ามีเราเนี่ยมันมีอยู่จริงยังแยกกันนะอัตตามีไม่มีอยู่จริงนะอัตตาตัวตนมันไม่มีอยู่จริงหรอแต่ความไปเข้าใจผิดความเห็นผิดเนี่ยมันเรื่องทิฏฐิไปเห็น สัญญาก็ไปจําร่วมกับทิฏฐิมันก็เลยสำคัญว่าเรามีมีเราใช่ก็เลยสำคัญผิดตรงนี้ฉะนั้นเขาไม่ให้ละอัตตาตัวตนเน่ยเป็นธรรมที่ไม่ควรละ <c oughs> จะไปละได้ยังไงก็ของมันไม่มีอัตตามีจริงไหมตัวตนมีจริงไหมเนี่ยมีจริงไหมลองหยิบไม่ดูที่มันอยู่ตรงไหนตัวตนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันมีหน้าตายังไง มันมีรูปร่างสันฐานยังไงอัตราตัวตนมันมีไหมเมื่อไม่มีอยู่จริงมันจึงเป็นธรรมที่เราเราจะเป็นละอะไรมันก็ของมันไม่มีอยู่แล้วเราไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะแค่ทำปัญญาให้เกิดขึ้นทำความรู้ให้เกิดขึ้นทำความฉลาดให้เกิดขึ้นมันก็ไม่มีแล้วมันก็หายไปแล้วแต่เวลาใดมันโง่ไม่ฉลาด มันก็ส้าคัญไปเย็ดอีกว่ามันมีก็ทําความฉลาดเกิดขึ้นมาปุ๊บพอแสงสว่างเกิดขึ้นปั๊บมันก็ไม่มีใช่ไหมเหมือนเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ในห้องนี้มันมีผีมันมืดไงแต่พอจุดไฟขึ้นมาปุ๊บมันไม่มีอพอปิดไฟขึ้นมาเอ้าเหมือนเหมือนรู้สึกเหมือนมีผีอีกแล้วนี่เหมือนกันอัตตาเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงแต่พอปัญญามันเกิดขึ้นมาปุ๊บเห็นความจริงปุ๊บมันหายไป แต่พอปัญญาดับไปความมืดกัดเข้ามาใหม่มันก็นึกว่ามีใช่ไหมล่ะงงแล้วต้องไปฟังหลายๆรอบต้องไปวิจัยให้แยกให้เยอะ ปปัญจสัญญาก็เป็นสังขารอยู่แล้วก็คือสัญญาที่เกิดร่วมกับตันหามะนาธิฐิไอตัวตันหานเป็นสังขารตัวมะนาเป็นสังขารตัวทิฐิถนเป็นสังขารตัวราคาโทสามโมหันเป็นสังขารแต่ตัวสัญญาเนี่ยมันเป็นสัญญาขันสองขันเนี่ยมันเกิดร่วมกันเกาเรียกปปัญจะสัญญาเป็นสัญญาที่เป็นไปที่ทําให้สังสารวัตเนื่นช้าเป็นกิเลสตัวปั่น มันปั่นยังไงปั่นเรื่องราวเยอะแยะถ้าลองไปคิดดูที่ลองไปคิดว่า <c oughs> มันปั่นยังไงมันปั่นให้วุ่นวายหมดเลยเนอะมันปั่นว่า เ, เราอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าโดยสมมุติเนี่ยโดยมากเนี่ยไอตัวอัตวาทุปาทานเนี่ยความยึดมั่นในวาทะว่าอัตตาว่าตัวตวนเนี่ย คือทิฏฐิตัวเนี้ยสักยทิฏฐิอัตตาทิฏฐิหรืออัตวาทุปาทานตัวเนี้ยมันมีอยู่เป็นพื้นฐานของสัตว์โลกทุกจําพวกอยู่แล้วสำหรับบุรุชนมันมีความเข้าใจว่ารูปเป็นเราเราเป็นรูปรู ป, รปอยู่ในเราเราอยู่ในรูปเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนเาเวทนาอยู่ในเราเราอยู่ในเวทนาสัญญาเป็นเราเราเป็นสัญญาสัญญาอยู่ในเราเราอยู่ในสัญญาสังขารเป็นเราเราเป็นสังขาร สังขารอยู่ในเราเราอยู่ในสังขารวิญญาณเป็นเราเราเป็นวิญญาณวิญญาณอยู่ในเราเราอยู่ในวิญญาณมันมันเข้าใจผิดอยู่แล้วอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าสักยัตทิฏฐิยี่สิบี่คูณห้าก็ยี่สบแต่ความเข้าใจผิดก็คือมันมี4อย่างใช่ไหมสีอ่อย่างก็คือว่ารูปเป็นเราเราเป็นรูปรูปอยู่ในเราเราอยู่ในรูปสี่ไหม ในรูปประคันก็สี่เวทนาขันก็สี่สัญญาขันก็สี่สังขารขันก็สี่วิญญาณขันก็สี่สก็เลย20เขาเรียกสั ก, กะยะทิฏฐิี20ไอความเข้าใจผิดอย่างนี้มันติดแน่นอยู่เป็นพื้นฐานของปุถุชนทุกจำพวกทีนี้มันมีบัญญัติอื่นๆที่มันจะทำให้มนุษย์เนี่ยมีความสำคัญว่าเป็นอัตราตัวตนซ้าซ้อนอีกเยอะ พอเกิดมาแล้วก็มาตั้งชื่อกอขอขึ้นมาใช่ไหมอย่างตั้งชื่อว่าเจี๊ยบเนี้ยมันไม่ใช่แค่ไปสําคัญรูปเป็นเราเราเป็นรูปแล้วเจี๊ lost, ยบเป็นเราเราเป็นเจี๊ยบขึ้นมาแต่ทีนี้มันไปเข้าใจแล้วว่าอ๋อเนี่ยเนี่ยทั้งหมดเหล่าเนี้ยคือเจี๊ยบรูปประคันก็คือเจี๊ยบนี่แหละนักเก้านักเก้าเพอไปเรียนในร้อยใช่ไหมเจประขึ้นมาติดร้อยตีไม่ใช่มันไม่ใช่เจี๊ยบธรรมดาเดี๋ยวนี้แต่ก่อนมันเด็กชายเจี๊ยบนี่ แล้วก็มาเป็นนายเจี๊ยบนี่เพราะนักเข้าหนักเข้ามันเป็นร้อยตีเจี๊ยบโอ้โหพอทําไปต่อนักเข้าหนักเข้ามันไม่ใช่ร้อยตีแล้วมันร้อยโทเจี๊ยบร้อยเอกเจี๊ยบโอ้โหมาใหญ่เลยทีนี้ยพันตีเจี๊ยบพันโทเจี๊ยบตอนนี้เป็นพันเอกเจี๊ยบและเป็นพันเอกพิเศษรอจ่อในผลแล้วทีนี้ยเนี่ยเห็นไหมบัญญัติซ้าซ้อนมันเป็นแค่นั้นที่ไหนล่ะพอไปอยู่ต่อหน้าภรรยาเป็นอะไรเป็นอะไรอยู่กับลูกเป็นอะไรไปอยู่กับพ่อเป็นอะไร เห็นไหมเนี่ยไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับน้าเป็นอะไรไปอยู่กับอาเป็นอะไรไปอยู่กับลุงเงินอะไรไปหาหมอเป็นอะไรมาอยู่กับพระเป็นอะไรไปลูกศิษย์แล้วตกตกลงเป็นอะไรเออเนี่ยังไงจริงๆแล้วเนี่ยมันสมมุติกันขึ้นมามันไม่มีอยู่จริงแต่เป็นสมมุติที่ให้เข้าใจกันมันจะได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงนั้นถูก มันจะได้ทําให้มันดูให้มันดูดีมันจะได้ไม่เอียงกระเทาเล่มันจะได้ปฏิบัติถูกมันจะได้ไม่งงดังนั้นเถอะแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่มันนึกว่าเป็นจริงๆดี่ไปยึดวันมีจริงๆขึ้นมาแล้วยุ่งเลยนะแต่เนี้ยมันยุ่งแล้วไม่เห็นไหมมันเป็นบัญญัติซ้ําซ้อนมันทํำให้สําคัญว่ามันมีอัตราตัวตนอีกเยอะมากเยอะไปหมดเลยแต่เนี้ยหลงอยู่ในโลกของสมมุติแล้วมันก็ไม่เข้าใจความจริงของชีวิต จะไปเห็นปรมามัดได้ยังไงจะเห็นสภาวัฒธรรมได้ยังไงเพราะมันติดแน่นไปหมดแล้วเวลามาอย่างเงี้ยเวลาคนไปเฝ้าพระเจ้าเขาจึงถอดออกหมดใช่ไหมถอดออกมาเลยต้องถอดแม้กระทั่งรองเท้าขนาดพระราชามหศาขสัตริย์ยังถอดเครื่องอิสระยะยยศออกหมดเดินด้วยเท้าเปล่าคนเฝ้าพระเจ้านะงั้นคุณไม่คุณถอดออกเลยว่างั้นเถอะเข้ามาเฝ้าในฐานะว่ากระแสชีวิตต่อกระแสชีวิตเนี่ยมนุษย์คนหนึ่งอะเข้ามาแล้วคุยกันถ้างั้นโอ้โหมันคุยอย่าง ถ้าราชากับกับกับกับพระคุยกันมันคุยไม่รู้เรื่องนะนายพลกับพระคุยกันไม่รู้เรื่องนะมันคุยกันไม่รู้เรื่องหรอเพราะมันแบกตำแหน่งมันแบกอัตราตัวตนแบกทัศนคติบ่อยแบกทิฏฐิแบบนี้แล้วไม่ยอมถอนเนี่ยแล้วปัญญามันจะผุดขึ้นมาได้ยังไงมันไม่โผล่เลยนะมันถูกกั้นหมดถูกทิฏฐิกั้นไว้หมดปัญญามันก็ไม่ออก เขาใจอย่างตัวเนี้ยเนี้ยมันถึงบอกว่ามันไม่ง่ายเลยการจะได้ปัญญาสักครั้งหนึ่งไม่ใช่นั่งคุยครั้งเดียวแล้วมันได้ปัญญาที่ไหนแล้วเห็นไหมจําเป็นไหมมันต้องมาอยู่วัดก่อนจริงไหมเวลาจะปฏิบัติเนี่ยถ้งงั้นไปไม่เป็นเพียงว่าเราจะคุยแบบเอาใจกันก็ได้จเจริญพรนะท่านผู้พันเนี่ยเสริมทิฏฐิให้ มาเจริญพรนียคือถ้าไปต่อหน้าคนอื่นไปตามทางการก็เรียกกันแต่ถ้ามันธรรมดาอย่างเงี้ยเพื่ไปเรียกเดินทิศจับนะาข้าวน้ข้าเข้าใจผิดเพราะงั้นเดี๋ยวมันไม่กระเทาะมันไม่ลอกออกมันไม่ลอกอัตราตัวตวนออกมันมีหลายซับหลายซ้อนมากหลายซับหลายซ้อนมากอัตราเนี่ยทั้งทั้งที่มันไม่มีอยู่จริงนี่แหละมันทับถมโดยสมมุติจนสําคัญว่ามันมีจริง แท้จริงมีจริงที่ไหนแล้วใช่ไหมล่ะแต่ทิฐิมีจริงไหมไอ้ทิฐิเจสิกความเห็นผิดมีจริงไหมมานะยกตนชูตนเปรียบเทียบตนมีจริงไหมตัณหาความทยานอยากมีจริงไหมความโทสะมีจริงไหมลิษยามีจริงไหมเห็นคนอื่นได้ดีแล้วทนไม่ได้เนี่ยมีอยู่จริงเห็นไหมมีอยู่จริงนะเนี่ยมัจฉริยะความหวงความตนหนีมีจริงไหมห่วงถิ่นห่วงที่อยู่ห่วงไหม นี่ไม่มีหวงถิ่นห่วงที่อยู่ห่วงประเทศมีไม่มีได้ไงจะว่าหวงถิ่นนี่ไงใช่ไหมห่วงเผ่าพันธุ์หัวห่วงหวงเผ่าพันธุ์ห่วงไหมเขาเรียกว่าหวงตระกูลเนี่ยห่วงตระกูลก็หมายความว่าห่วงญาติหวงเผ่าพันธุ์นนเองห่วงพ่กพ้องใช่ไหมเล่นพักเล่นพวกไม่ถามเงี้ยชัดใช่ไหมล่ะเอา หวงผลประโยชน์ไหมหวงใช่ไหมหวงเกียรติยศชื่อเสียงหวงไหมหวงที่ถ้าคนยกย่องคนอื่นนะเคียดกินแลว้วเพราะงั้นเธอะอะไรวะทําทดีแทบตายไม่ยกย่องเราเลยไม่สนับสนุนเราเลยไม่ให้ค่าเราเลยโดยสารพัพหมดเนี่ยหวงผลิตผลของปัญญาไหมหวงคิดสูตรประดิษฐ์ต่างๆมาได้ปุ๊บเนี่ยหวงไหมล่ะไม่หวงได้ไงจดลึกกระสิบกันเป็นแถวเป็นแถว ี่วงธรรมะห่วงข้อมูลพุทธเจ้าห่วงไหมสูตรพุทธเจ้าอัเนี้สูตรเหล่านี้สามารถปฏิบัติแล้วพ้นจากกิเลสและกองทุกได้สามารถจะทําให้รวยก็ได้ใช่ไหมทําให้อัตภาพร่างกายแข็งแรงก็ได้ทําให้ได้คุณภาพชีวิตดีก็ได้แต่สูตรพวกนี้ยพุทธเจ้าเคยห่วงไหมห่วงไม่นะพุทธเจ้าห่วงสูตรพวกนี้ไหมเห็นไหมเนี่ยไม่ห่วงเลยนะสูตรประสบความสําเร็จเนี่ยพุทธเจ้าคิดได้เลยนะ นั้นคนที่ล่ํารวยทั้งหลายให้ทานยังไงเปิดช่องให้บุญให้ทานกุศลให้ผลยังไงเปิดช่องให้ศีลกุศลแต่ละข้อแต่ละข้ อ, ขอให้ผลยังไงวิธีการยังไงพระเจ้าบอกหมดแล้วคนก็ได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดามีเกียรติยศชื่อเสียงมีวัตถะที่ดีงามและจนถึงพ้นจากกิเลสและวองทุกข์ได้โอ้โหธรรมะที่เป็นโลกียธรรมะที่เป็นโลกุตละธรรมะที่อิงอาศัยวัตถะอิงอาศัยวัตะพระพุทธเจ้าบอกหมดแหละห่วงไหมเคยหวงสูตรเหล่านี้ไหมไม่ห่วงเลยถ้าเป็นคนอื่นคิดสูดรพวกนี้ได้โอ้โหจดลย ใช่ไหมล่ะพอคนมีมัจฉริยะเนี่ยกิเลสตรงนี้มันมีอยู่จริงใช่ไหมล่ะอกิเลสเหล่านี้แหละที่เป็นเหตุทําให้วุ่นวายว้าวุ่นกันอยู่เนี่ยหวังกันเถอะเนี่ยเข้าใจคำว่าอัตวาทุบาทันเนี่ยออีกนิดนึงก็คือว่าเป็นความหลงผิดที่เป็นพื้นฐานเนอะดังที่ได้กล่าวและมันยังมีปจัจจัยอื่นดังที่ได้กล่าวเนี่ย ภาษาถ้อยคำสมมุติสื่อความหมายมันชวในให้มนุษย์พูดที่ติดบัญญัติในสิ่งต่างๆอะแยกออกจากกันเป็นตัวเป็นตนที่คงที่มันแยกออกไม่ได้ไอความรู้สึกมันก็กลายเป็นความยึดมั่นเพราะตัณหาเป็นปัจจัยเมื่ออยากได้ก็ยึดมั่นว่ามีตัวตนที่เป็นผู้ได้รับและตัวตนเป็นผู้ที่เสวย มีตัวตนเป็นเจ้าของในสิ่งที่ได้เมื่ออยากเป็นอยู่ก็อยากได้ให้ตัวตนเนี่ยอันใดอันหนึ่งมันมีอยู่แล้วก็เมื่อเมื่ออยากไม่เป็นอยู่ก็ยึดในตัวตนอันใดอันหนึ่งที่จะให้สูญสลายไปก็กลวัวตัวตนจะสูญสลายไปก็ยิ่งตะเกียจตะกายย้ำความรู้สึกตัวตนให้หนักแน่นยิ่งขึ้นไปอีกนี่ก็คือว่าทีนี้ไอ้ความอยากนั้นมันเป็นสัมพันธ์กับความรู้สึกว่ามีเจ้าของมีผู้คุม ควบคุมอยู่เนี่ยมีตัวตนที่เป็นนายคนบังคับบัญชาขึ้น อ, อู้ไปใหญ่เลยแตเนี้ยใ น, น, นยความไอเหตุปัจจัยทั้งหลายตรงเนี้ยมันก็เลยกระจายไปใหญ่เลยแตเนี้ยมันมาจากความอยากนะความอยากก็เป็นปัจจัยเกิดความเห็นความเห็นก็เป็นปัจจัยในการสร้างระบบรูปแบบขึ้นมาในที่สุดจริงๆก็มาจากแอดตวัตุบาทา น, น, นยึดมั่นนะยึดมั่นในรูปในเวทนาสัญญาสังขารนเนียในกระแสชีวิต ความไม่เข้าใจความเป็นไปของกระแสชีวิตเนี่ยโอ้โหมันเป็นอย่างนี้นะเริ่มเห็นยังอับเบ ก, กันแป๊บนึง